อนาปติวันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ5011้ภิกษุผู้ได้รับแจ้งแล้ว2อภิกษุเข้าไปในที่ที่ผู้อยู่ไม่ได้เป็นกษัตริย์3าภิกษุเข้าไปในที่ที่ผู้อยู่ยังไม่ได้รับอภิเสกเป็นกษัตริย์ 4. ีภิกษุเข้าไปในที่ที่พระราชาเสด็จออกจากกำหนักที่บรรทม5้ภิกษุเข้าไปในที่ที่พระมเหสีเสด็จออกจากกำหนักที่บรรทม 6. ภิกษุเข้าไปในที่ที่ทั้งสองพระองค์เสด็จออกจากตำหนักที่บันทม 7. ภิกษุเข้าไปในที่ที่ไม่ใช่ตำหนักที่บันทม 8. ภิกษุวิกลจริต 9. ก้าิกษุต้นบัญญัติอันเตปรุระสิคาบทที่1จบ